มหิสราจจริยานี่เป็นกระบือบางพระโพธิสัตว์เนี่ยนะท่านก็เกิดเป็นกระบือเกิดที่ยังนึกไม่ออกก็คือเกิดเป็นสุนัขเนี่ยนะยังนึกไม่ออกว่าอยู่ชาติไหนที่พระองค์เป็นสุนัขแต่ว่าเนี่ยเป็นลิงเป็นวัวเป็นนกเป็นช้างเป็นม้าเป็นอะไรได้ยินบ่อยนะแต่แต่ว่าสุนัขนี่ยังไม่เจอในพูดถึงชาติที่พระองค์เป็นกระบือมีอีกเรื่องหนึ่ง เออแตนะโทษทีบอกเป็นหนูท่านก็เคยเป็นในมูสิกะชาดกมูสิกะอย่างมูสิกพงเนี่ย น, น, นะมูสิกะเนี่แปล ว, ว่าหนาูต่อไปนะในมหิสาราชามหิสาราจจริยาพระองค์เล่าให้พระสารีบุตรฟังถึง<ม>จริยาข้อปฏิบัติที่ทําให้พระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าว่าอีกเรื่องหนึ่งในการเมื่อเราเป็นกระบือเที่ยวอยู่ในป่าใหญ่ ก ร, ก, กระบือกกระใบเนี่ยนะกระใบเป็นภาษาเขมรเนี่ยนะเลยเรียกกระบือก็เป็นควายที่มีกายอ้วนพีมีกําลังมากใหญ่โตแล้วก็ดูน่ากลัวพิลึกก็แปลงว่าเป็นถ้าเห็นแบบทั่วไปวิ่งหนีเลยนะก็ควายบางตัวนี่เป็นอย่างนั้นจริงนๆนะใครที่เลี้ยงมาเนี่ยจะรู้เลยโวหบน่ากลัวมา ก, มากเลยเราเห็นแล้วยังกลัวเลยอะ่ะ ประเทศรายๆในป่าใหญ่นี้อันเป็นที่อยู่ของฝูงกระบือมีอยู่ที่เงื้อมเขาก็ดีที่ซอกห้วยทานเขาก็ดีที่โคนไม้ใกล้บึงเราก็เที่ยวไปในที่นั้นๆเมื่อเราเที่ยวไปในป่าใหญ่ได้เห็นสถานที่อันเจริญเราจึงเข้าไปสู่ที่นั้นแล้วก็ยืนพักอยู่แล้วก็นอนพักแล้วก็นอนเพราะสถานที่มันดูดูดีอ่ะนะครั้งนั้นลิงป่าผู้ลามก เรีว่าลาโมกตัวนี้มาจากคําว่าบาปนะลิงปลาผู้ใจบาปลุกลิกลอกแรกนะวันนี้ไปเห็นมาเยอะเลยที่เขาตะเขา่าเขาตะเขา่าโอยเยอะเลยนะปกติของลิงนะเขลูกลิกลอกแรกนะมาณะที่นั้นเสร็จแล้วเป็นยังไงมันก็มาถ่ายอุจจาระปัสสาวะรถที่คอที่หน้าผากที่คิ้วแล้วก็เบียดเบียนเรา นะหมายความว่าไอ้รถถ่ายอุจาระปัสะวะรถเนี่ย น, นี่อย่างหนึ่งไอ้ที่มานั่งแบบมากวนจับเขย่าเขาเล่นอะไรแต่นั่นก็อีกต่างหากกันนะเล่นเบียดเบียนยจนมันสะใจนั่งก็ไปวันวันหลังใหม่ก็เอาใหม่เนี่ยนะมาถายอุจาระปัสะวะรถเขย่าขี่เล่นอยู่นั่นแหละแล้วก็ผ่านไปวันที่สองวันที่สมวันที่สี่อากนี้ทุกวันเนี่ยนะเราจึงเป็นผู้อันลิงนั้นบเบียดเบียนตลอดการทั้งปวง เทวดาเห็นเราถูกลิงเบียดเบียนก็กล่าวคํานี้กับเราว่าท่านจงยังลิงท่านจงยังลิงลามกตัวนี้ให้ชิบหายตายหงเสียหมายความว่าฆ่ามันะเสถรวันฆ่ามันด้วยเขาและด้วยกรีบเถิดนะฆ่าด้วยเขาก็คือขีดให้มันตกลงมาแล้วก็เหยียบซะให้มันตาย น, นะเขาก็กรีบหมเขาว่าเขาก็ขีดใช่ไหมกรีบก็คือเท้าอะ่ะก็เหยียบซะเมื่อเทวดากล่าวอย่างนี้ในครั้งนั้นแล้ว เราก็ได้ตอบเทวดานั้นว่าเพราะเหตุไรท่านให้เราเปื้อนซากศพอันลามกไม่เจริญเล้าพูดแบบภาษาไทยก็มาให้เราเปื้อนบาปทำไมเหมือนกันถ้าเราพึงโกรธต่อลิงนั้นเราก็พึงเป็นผู้เลวกว่าลิงซะศีลของเราก็จะพึงแตกโกรธลิงเราก็เลวกว่าลิงยถ้าโกรธคนบ้าใครจะบ้ากักนนี่ก็เหมือนกันนั่นแหละวกันถ้าโกรธลิงก็แสดงว่าหนักกว่าลิงเยอะเนี่ยนะ และวินยูชนทั้งหลายก็จะพึงติเตียนเราเราเป็นผู้บริสุทธิ์ความตายตายด้วยความบริสุทธิ์ประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ที่หน้าและอายเสียอีกหมายคือว่าถ้าลิงมันจะรถอุจาระใสซะจนตายก็ยังแบบประเสริฐกว่าฆ่าลิงแล้วก็มีชีวิตอยู่ว่างั้นอย่างไรเสียอย่างไรเราจักเบียดเบียนผู้อื่นแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตแล้ว บุคคลผู้มีปัญญาอดกลั้นถ้อยคำดูหมิ่นในเพราะของคนเลว น, นะคนเลวเขาจะมาดูหมนินนะคำดูหมิ่นจะมาจากคนเลวคนปานกลางหรือคนสูงก็ตามถ้าอดกลั้นคำดูหมิ่นได้อย่างนี้ตามใจปรารถนาก็คนที่มีปัญญานี้เขาจะอดทนได้ทั้งหมดนนะจากถ้อยคำที่คนอื่นดูหมิ่นและเหยยดยาม เขพูดถึงบรรดาศักดิ์รีที่ถูกเหยียดยามที่สุดอะไรจะลดแคระอุจาระปัสสาวะลดตัวเนี่ยถือว่าหนักหนาสาหัสที่สุดแล้วเนี่ยนะแต่ก็เดี๋ยวข้างข้างหน้าต่ต่อไปมีโอกาสพูดถึงว่ามีอยู่ชาติหนึ่งพระองค์เนี่ยเป็นเป็นฤาษีหมายว่าท่านบําเนพะ็ญอุเบกขาบารมีนะไออุเบกขาบารมีของพระองค์ชาตินั้นท่านก็เป็นเศรษฐีนะเศรษฐีที่ออกมาบวชพอออกมาบวชแล้วก็ไปอยู่ในป่า นี่ก็ไปอยู่ในป่าชายพวกเด็กเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันก็ไปเลี้ยงไปก็ไปทักกับพวกเลือทักกันนะนะท่านเป็นใครท่านชื่ออะไรท่านก็เฉยไม่ตอบอันนี้ก็หาไม้ไปแย่หูแย่ซ้ายแยควาไปเอาฝุ่นรถอะไรรถแทบจะแทบจะปัสสาวะรถอะนะมันครับบางคนเออท่านก็ทนอุเบกขาท่านจะลองว่าท่านจะทําใจเหมือนแผ่นดินได้หรื อ, อยังนะท่านท่านทำได้ขนาดนั้นไหมเป็นต้นนะ่นะ ก็พระโพธิสัตว์ท่านก็ทําอย่างนี้ท่านท่านจึงเป็นบุรุษอัศจรรย์งไงว่าบุคคลเช่นนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามีอยู่ตลอดกาลแล้วก็ตลอดไปพระพุทธเจ้าจึงมีอยู่ครั้งคราวในโลกจากคุณธรรมเหล่านี้ที่เราเรียนเราศึกษาเราจะรู้ว่าการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นของยากมีอยู่ครั้งคราวเท่านั้นแหละเพราะใครจะทนทําในสิ่งเหล่านี้ได้ยาวและต่อเนื่องเล่าว่างั้นพูดถึงว่าในการครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ บังเกิดในกำเนิดกระบือในหินมวันตาประเทศครั้นเจริญวัยสมบูรณ์ด้วยเรี่ยวแรงมีร่างกายใหญ่ประมาณเท่าช้างหนุ่มเที่ยวไปตามเชิงเขาที่เงื้อมเขาและซอกเขาป่าหแูและห้วยเป็นต้นเห็นโคนต้นไม้ใหญ่หน้าสบายต้นหนึ่งหาอาหารก็คือกินหญ้าเสร็จแล้วก็มาอาศัยอยู่ที่โคนต้นไม้นั้นในเวลากลางวัน ครั้งนั้นมีลิงลามกตัวหนึ่งลงมาจากต้นไม้มาขึ้นที่หลังของพระโพธิสัตว์เสร็จแล้วก็มาถ่ายอุจจาระปัสสาวะรถจับเขาโหนตัวเล่นลนะก็อะไรนเป็นสถานที่เล่นอะไรนะเป็นบาร์เลยนะห้อยโหนสบายใจเฉลยเลยนะแล้วก็เล่นเออกระจับหางเล่นห้อยโหนพระโพธิสัตว์ก็ไม่สนใจการกระทําอนาจารความประพฤติ ท, ที่ไม่เหมาะสมของลิงนั้นเพราะอะไร เพราะท่านเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยขันติความอดทนเนี่ยเป็นเยี่ยมเนี่ยนะก็ <c oughs> ไอคําว่าขันติเนี่ยบางทีก็แปลว่าขอกันกินมากกว่านี้อนะคล้ายๆแบบนั้นไะคําว่าขันติเนี่ยอดทนเนี่ยไม่ใช่กัดฟันกรดกอดๆไม่ได้แปลนั่นไม่ใช่นะคําว่าขันติในที่นี้หมายถึงว่าท่านนั้นนะะไม่ได้คือไม่ถือสานะไม่เก็บเอามาคิดว่างั้นเถอะน่เรียกวขันติขณะเดียวกันก็เมตตาต่อลิงเมตตาก็คืออะไรเหมือนกับ เขมาสังเกตดูนะถ้าเป็นแบบคนผู้หลักผู้ใหญ่เลยนะใครมาหยิกผมเล่นได้ไหมไม่ได้แต่ทําไมลูกนี้ทั้งหยิกทั้งควนทั้งทุบทั้งตีแล้วทําไมทนได้อะก็เพราะเมตตาที่มีต่อบุตรนั่นแหละด้วยเมตตาที่มีต่อบุตรนะคนอื่นนี่แหมมาจับชายเสื้อนิดหน่อยเนี่ยโอ้หสั่งฆ่าสั่งประหารนายแต่ลูกนี่ที่ทั้งทุบทั้งเขียยทั้งตีทั้งดึงผมทั้งหยิกทั้งค่วนก็ทั้งขึ้นขย่มมาก็ทนได้หมดนะเพราะอะไรเพราะ เมตตาใช่ไหมเพราะเมตตาของของผู้ที่มีเมตตาเนี่ยคนอื่นเขาจะมาทำยังไงก็ลักษณะเดียวกันขณะเดียวกันก็การุณาจะไปทำอะไรเขาจะไปถ้าเด็กมาตีเราแล้วเราตีเด็กตอบใช่ไหมใช่ถ้าเด็กมาหยิกเราเราก็หยิกตอบยังไงรู้เปล่าเาไม่ใช่พันด้วย น, นี้ด้วยการุณาก็เห็นว่าเขานี่มีความทุกข์พันก็ด้วยอา น, นาจของขันติคือคือเราความอดทนที่เป็นเยี่ยมเมตตาที่น้อมประโยชน์เข้าไปให้กรุณานะ ไอลงโง่ไอ้ลิงบากก็เหมือนกันก็พอย่างก็ยิ่งกำเริบเอาบ่อยขึ้นเอาหนักขึ้นเอาหนักขึ้นนะแล้วก็เบียดเบียนวันนะเบียดเบียนตลอดการทั้งพวงบอลหนึ่งสองวันเป็นต้นห้อยโหนทีนี้ยักษ์ที่อยู่ตรงนั้นก็เดือดร้อนคือเทวดานะเทวดาที่อยู่ต้นไม้นั้นก็บอกว่าท่านมหิสราตมหิก็แปลว่าวกระบือ น, นะท่านราชาแห่งฝูงกระบือ เพราะเฮไรท่านจึงอดทนความดูแคลนของลิงชั่วช้านี้อยู่ได้จริงไม่ได้ลดใสเทวดาซะหน่ยเทวดาเดือดร้อนนะนะท่านผู้ชมเดือดร้อนเหมือนนเพราะฉะนั้นเทวดาก็เลยมาบอกว่าท่านจงยังลิงลามกตัวนี้ให้ชีพหายเสียด้วยเขาและกีบเธอพระโพธิสัตว์ตอบว่าไงตอบว่า ท่านจะให้เราเนี่ยเปื้อนด้วยซากศพลามมกไม่เจริญแล้วทำไมมาสอนกันอย่างนี้ถ้าเราพึงโกรธต่อลิงนั้นเราก็พึงเป็นผู้เลวกว่ามันสีลของเราก็จะพึงแตกพันบทว่ากุนะเปนะคือด้วยซากศพเพราะเป็นสิ่งที่น่าเกลียดอย่างยิ่งคนดีมีชาติสะอาดด้วยการไหลออกแห่งอสุจิคือกิเลสเพราะเป็นเช่นกับซากศพที่มีกลิ่นเหม็นแล้า นะธรรมสอนให้เราเปื้อนบาปทำไมบอทว่าปาเปนะด้วยกระลามกมาสอนให้ฆ่าสัตว์ทำไมอนาริเยท่านแสดงว่าท่านเทวดาเพราะเหตุไรท่านจึงดูหมิ่นเราด้วยสิ่งอันไม่เจริญเพราะเป็นธรรมของคนเลวมีในพรานเป็นต้นตการฆ่ามันเป็นพวกคนพวกในพรานก็ทำกันผู้ผู้ไม่เจริญนะนะคนที่ฆ่าเป็นคนที่ยังไม่เจริญและก็ไม่ใช่คนดี ท่อยคำที่ท่านกล่าวชักชวนเราในความชั่วนั้นไม่สมควรเลยประกาศโทษของต่อไปว่าท่านเทวดาผู้เจริญถ้าว่าเราโกรธลิงนั้นเราก็เร็วกว่ามันเพราะว่าลิงนั้นเป็นลิ ง, งโง่ลิงพานเป็นลิงเลวด้วยไม่ประพฤติธรรมหากเราพึงประพฤติธรรมมะอัลลามกอันมีกําลังกว่าลิงนั้นเราก็พึงเป็นผู้ลามกเลวยิ่งกว่าลิงนั้นด้วยไม่ใช่หรือ ลิงมันแค่อุจาระปัสสาวะใยเราถ้าเราฆ่ามันนะเราหนักกว่ามันแสดงว่าเรานี่เลวกว่าลิงข้อที่เรารู้โลกนี้เป็นอย่างดีรู้จักโลกหน้าเป็นอย่างดียิ่งเราดำรงอยู่ในการปฏิบัติเพื่อประโยชน์โดยผู้อื่นส่วนเดียวเท่านั้นเขาบอกว่า ท่านระ ล, ลึกชาติได้ทั้งหมดนะท่านรู้ประโยชน์โลกนี้รู้ประโยชน์โลกหน้าท่านรู้ดีรู้ชั่วว่าทํำยังไงจะเป็นการปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเนี่ยนะมหิสารนี่ท่านรู้เนี่ยนะเมื่อท่านรู้ท่านจะไปเพื้อนบาปทำไมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการประพฤติ ธ, ธรรมะอัลลามกเหล่านั้นเนี่ยนะเห็นป่านั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้บทว่าสีลันจะเม ประภิดเฉยะศีลของเราก็จะพึงแตก น, นะหมายคก็ว่าถ้าหากว่าเราฆ่าลิงศีลบารมีของเราก็แตกบทว่าวินยูจะคราไฮยงมังเทวดาและมนุษย์ผู้เป็นบัณฑิตก็จะพึงติเตียนเรานะพระโพธิสัตว์ท่านกลัวคนอื่นก็ติเตียนว่าอย่างไงพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายจงดูพระโพธิสัตว์นี้เที่ยวสแสวงหาโพธิญาณแต่ได้ทําความชั่วฆ่าลิงเห็นปานี้เนี่ยนะ เรีย <K an ye nói> ว่าอะไรนะแทนที่อะไรนะชื่อเสียงเสียหายขนาดไหนสมมติถ้าฆ่าลิงไปใช่ไหมดูสิเนี่ยพระโพธิสัตว์เที่ยวหาสแสวงหาโพธิญาณลิ้ยงมาอุจจาระใส่ฆ่าลิงเลยอย่างนี้เลยเว้ยเสียหายหมาเสียสศักดิ์ศรีพระโพธิสัตว์หมดแล้วนะเสียสถาบันโอ้เสียหลายอย่างเพราะฉะนั้นเราจะฆ่าลิงได้ยังไงบทว่าอธิบายว่าความตายด้วยความบริสุทธิ์เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์อย่างประเสริฐอุดมดีกว่ามีชีวิตอยู่ ถ้าหากว่าจะต้องอยู่แบบถูกวินยูชนติฉินนินทาติเตียนด้วยประการชนี น, นนะถ้าหากว่าต้องอยู่แล้วถูกติเตียนแบบนี้เนี่ยนะก็จะตําหนิยังไงดูซิพระโพ ธ, ธิสัตว์ฆ่าลิงยังไงนี่ยจะไปเพาะได้ยังไงใช่ไหมบทว่ากายหั่งชีวิตะให้ตูปิกาหามิอ่าประเหตหนังอย่า ง, ไ ร, าางไรเราจักเป็นผู้เบียดเบียนผู้อื่นแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตเล่า คือเมื่อเรารู้อย่างนี้เราจะทำการเบียดเบียนสัตว์อื่นเอาชีวิตของเราเป็นเดิมพันได้อย่างไรเล่าอธิบายว่าไม่มีเหตุในการทำความเบียดเบียนสรุปว่าไม่มีเหตุผลเลยที่จะต้องฆ่าลิงะนะกระเบือกล่าวว่าลิงนี้สาคัญสัตว์อื่นะนะขณะนะเดียวกันก็ต่อไปคือพระโพธิสัตว์เนี่ยนะเล่าให้ เทวดาฟังต่อไปว่าลิงนี้สําคัญสัตว์อื่นว่าเป็นเหมือนกับเราก็จะทําความชั่วอย่างนี้จากนั้นนะักบือที่ดุจากฆ่าลิงที่ทําเป็นอย่างนั้นการตายของลิงด้วยสัตว์อื่นจกเป็นอันพ้นจากทุกขและก็พ้นจากการฆ่าสัตว์ของเราพระโพธิสัตว์เนี่ยนะท่านรู้เลยว่าลิงเนี่ยลิงตัวนี้จะต้องถูกควายขิดตายแน่ ก็บอกว่าลิงนี้จะสำคัญสัตว์อื่นเป็นเหมือนเราก็จะทำอย่างนี้แม้แกสัตว์อื่นบ้างสัตว์เหล่านั้นก็จะฆ่าลิงนั้นเสียความตายของลิงนั้นก็จะพ้นจากบาปของเราเราก็จะต้องพ้นจากทุกเพราะเราไม่ได้ฆ่าสัตว์เพื่อเป็นเหตุให้ตกนรกเป็นต้นขณะเดียวกันเราก็พ้นจากปาณาติบาต <c ười> เขาเคยมีเรื่องแบบคล้ายๆแบบนี้ว่ามีคนหนึ่งเลวมากเลวจริงๆเลยนะ สุดยอดแห่งความเลยไอคนนี้เห็นเข้าแล้วก็ทําความผิดกับคนนี้ซึ่งนายคนนี้พอที่จะฆ่าคนนั้นได้ <c oughs> เสร็จแล้วก็ไม่ฆ่าคนหนึ่งก็มาถามว่าทําไมคุณไม่ฆ่าคนคนนั้นบอกว่าไอคนนี้มันเลวสุดๆยังไงมันก็ต้องตายแล้วทําไมต้องเปื้อนดาบเราเล่าเหมืนั้นคือคือพูดแบบภาษาหนึ่งว่าทาไมเราต้องไปเปื้อนบาปการะเขาด้วยเนี่ยนะยังไงเขาก็ตายอยู่แล้วเขามันเลวขนาดนี้เขาจะอยู่ได้ยังไงในที่สุดเขาก็ต้อง ตายแล้วทำไมเราต้องไปเปื้อนบาปด้วยเนี่ยนะทไมไหนๆเขาก็ต้องตายอยู่แล้วทำไมเราต้องไปไปเปื้อนบาปด้วยพยากระเบือนนี้ท่านก็เคิดอย่างนี้ว่าลิงตัวนี้ยังไงก็ถูกฆ่าตายนะโดยพฤติกรรมแบบนี้ถูกฆ่าตายแน่นอนทำไมเราต้องไปเปื้อนบาปกับเขาทันก็เลยกล่าวว่าเรานี่จะอดกลั้นคำดูหมิ่นเหยียดยามที่คนเหล่านั้นเนี่ยนะไมได้จําแนกแล้ว บทว่าเอวังละปฏิสัพ ป, ปัญโยคนมีปัญญาไม่ได้ทำการจำเนกในคนเลวเป็นต้นอย่างนี้เข้าไปตั้งขันติมีเมตามีความกรุณาอดกลั้นความผิดนั้นเพิ่มภูลศีลบารมีเป็นต้นย่อมได้คือย่อมแทงตลอดสัพพัญยุตยานตามใจปรารถนาะคือตามความต้องการความปรารถนาของเขานั้น อ, อยู่ไม่ไกลนักหรอกคือท่านเห็นเลว่าท่าท่านอดทนได้ อดทนต่อคำดูหมิ่นอดทนต่อการเยียดยามของชนเหล่าอื่นไม่ว่าจะชนชั้นเลวชั้นกลางชั้นสูงชนเหล่าใดที่ดูหมิ่นเยียดยามเราถ้าเราอดทนได้มีขันติมีเมตตาและก็มีกรุณาอดกลั้นได้เพิ่มพูนคุณงามความดีไม่นานเท่าไหร่จะบรรลุสัพพัญญุตญาณ ขอให้ทนไปเถอะใกล้จะถึงแล้วนะคล้ยๆอันนี้นะทนอีกหน่อยเดียวอีกหน่อยเนี่ยเกือบแล้วเกือบจะบรรลุอยู่แล้วเนี่ยนะมาทำให้รัว่วทําให้ตกทําไมเนี่ยนะพระโพธิสัตว์เมื่อประกาศอัธยาศัยของตนอัธยาศัยอะไรอัธยาศัยในศีลเนี่ยนะคือท่านมีอัธยาศัยในทานในศีลในเนคขมะเป็นต้นอันเหตุการณ์เหล่านี้จะทําให้ท่านล่วงศีลความที่ท่านมีอัธยาศัยในศีลท่านก็ไม่ล่วงท่านก็เลยแสดงธรรมแก่เทวดา กระเบือนั้นล่วงไปสองสามวันก็ไปที่อื่นกระบือดุตัวอื่นก็ไปตั้งหลักฐานณนะที่นั้นเพราะเป็นที่อยู่สบายร่มก็ดียากก็ดีไม่ไกลน้ํากระบือป่าก็ไปอยู่ไอ้ลิงชั่วก็สำคัญว่ากระบือตัวนี้ก็คือกระบือตัวเก่านั่นแหละก็เลยขึ้นหลังกระเบือดุแล้วก็ทําอนาจารยอย่างเดียวกันท้ายอุจร่าปัสสาวะรถเป็นต้นเน่ยนะไอ้กระเบือดุตัวนั้นก็สลัดทิ้งให้ตกลงที่พื้นดินแล้วเอาเขาขีดที่หัวใจเอาเท้าเหยียบจนแหลกเลวไปเลยเนี่ยนะ แต่ก็ควายบางตัวนี่ดุดุจริงๆเลยมาเคยโดนมันไล่ประจำเลยบางตัวนี่มันดุดุมากนะ้อเรื่องเหรอเคยเลี้ยงเคยเจอดุไหมนะพวกเผาพันธ์อะไรไมหีสปาละอะไรนะโคบานก็เลี้ยงโคใช่ไหมไมฮีตาลก็คือพวกเลี้ยงควายเนี่ยนะเด็กเลี้ยงควายก็บอกว่าคุณธรรมมีความอดทนของลิงพวกนี้อของ ของของกระบือเนี่ยนะก็เหมือนกับอะไรเหมือนกับหัตถีนาคหัตถีนาคาจริยาก็คือพญาช้างภูริทัตตาจริยาก็คือภูริทัตตาจำเปะยะแล้วก็นาคราจจริยาท่านเหล่านี้ก็เป็นนาที่มีความอดทนเนี่ยนะจะด้วยเหตุผลใดๆท่านก็อดทนส่วนเกี่ยวกับเรื่องพญาเนื้อก็คงเป็นเดี๋ยวย ว, วันพรุ่งก็จะได้ถึงเรื่อง โรุรมิขาจารยาเนี่ยนะสำหรับวันนี้ก็ใช้เวลาแต่